ดรจเรสุวรรณชาติรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยอาจารย์พิทักษ์สถิตวัฒนะอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องฝึกยืนโดยการปรับระดับองศาสําหรับผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นผลงานของนายวัชรากรนวลแก้วและนายชัชวานจันอินนักศึกษาชั้นปีที่4หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให แก่ศูนย์ฝึกสมัถ น, นะโรงพยาบาลสงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลสงขลาอำเภอเมืองจงังหวัดสงขลาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการค้ า, า ร, ระหว่างประเทศเผยการส่งออกไทยลดลงทั้งปีเติบโตแค่0 5นถึงหนเปอร์เซ็นายอาจพิสารวานิชฐ์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลกระทบ FTA เวียดนามยุโรปและเทรดวอร์ต่อการส่งออกไทยปี2562ว่าการเปิดเขตการค้าเสรีหรือ FTA เวียดนามยุโรปที่จะมีผลบังคับใช้ในไตรามาสที่3ของปีนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังยุโรปในช่วงปี2562 ถึง 2,564 ทำให้การส่งออกลดลงเฉลี่ยปีละ 0.8% โดยครึ่งปีหลังของปีนี้มูลค่าการส่งออกจะหายไป 21,525 ล้านบาทและในอีก2ปีข้างหน้าจะหายไปมูลค่า 38,606 ล้านบาทโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องจักรกลและส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบขณะเดียวกันผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกปี2562ขยายตัวได้ไม่ถึง3เปเซนจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.3 ถึง 3.5 เปอร์เซโดยสินค้าไทยจะได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากทางสหรัฐและจีน ท้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะทำให้การส่งออกของไทยลดลงเหลือเพียง 0.5 ถึง1เปอร์ซต์ต่ำสุดในรอบ4ปีจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 3.2 ถึง 4.6 เปรเซรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป